9. รูปิยะสังโวหาระสิกขาบท 42. ถามทรงบัญญัตินิสักคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ทำการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปิยะชนิดต่างๆณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉัพพักขีถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คีทำการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปียะชนิดต่างๆในรูปียะสังโวหาระสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัต6สมุดฐานเกิดด้วยสมุทฐาน6สมุดฐาน